ทังถกรวันังอะภิวาเมัวนัอภิวาเดมีสวาคาโตะถาวตาธรมโมสวาคาโตะาตมโมธมนมสมีรั สุปติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิสังฆนามิ มาพบกันเอีนะที่มาพบได้นี่ก็เพราะฉันยาจะเต็มที่ไปเลยฉันเต็มที่ก็หมายความว่าหมอให้ฉันสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นแต่วันนี้ก็คงจะหายไปเยอะแล้วแล้วก็ ยาก็บอกว่าให้ฉันให้หมดเขียนไว้ในสลากมีเท่าไรฉันให้หมด <c oughs> เราก็หายแล้วจะไม่ฉันเอมันก็ผิดกดติกาก็ตกลงต้องฉันทีนี้ฉันแล้วนี่ไอยาแก้วหวัดนี่มันง่วงผิลฤกจะอาศัยเวลาพูดอาศัยอาทิตย์ยสมรมกาย <c oughs> ใชอธิษมันกายช่วย <c oughs> เพื่อที่จะให้การอธิบายเรื่องของอธิสมันกายนี้ให้แจ่มแจ้งก็จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรก็จะเข้าเรื่องเลยว่า <c oughs> อาธิสมันกายคือกายละเอียดกายละเอียด เวลากายหยาดสิ้นสภาพอาทิสมานกายจะทำหน้าที่กับจิตกับใจของเราเนี่ยเมื่ออธทิสมานกายไปกับจิตในขณะที่กายหยาบตายแล้วคนทั่วไปจะมองไม่เห็นแต่อาทิสมานกายจะมองพวกเราเห็นคือพวกกายหยาบเนี่ยแต่กายหยาบเนี่ยจะมองกายละเอียดไม่เห็น นี่คือลักษณะหนึ่งของอาทิสมานกาย <c oughs> ในลักษณะที่จะสัมพันธ์กันระหว่างอาิสมานกายกับจิตนั้นเหมือนกันกับขณะที่กายหยาบยังไม่ตายกายหยาบยังไม่ตายก็หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ได้สัมพันธ์นกันกับกายละเอียดอยู่ตลอดเวลา ในขณะใดที่เรานอนหลับในขณะใดที่เราเคริมมม่ก็จะเข้าสู่อาทิตย์สมานกายแต่ว่าในการที่เราเข้าสัมผัสกันอยู่ในปัจจุบันนี้เราทำอะไรไม่ได้คือทาอะไรไม่ได้นอกจากไปอยู่ด้วยกันแต่เหมือนกับคนไม่รู้จักกันทั้งนี้พระ อารมณ์ของกายหยาบมากมายในใจของมนุษย์ทั้งหลายอารมณ์พร้อมทั้งความปรุงแต่งอันประกอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมเป็นต้นว่าบิาดามารดาญาติเพื่อนสนรรพสิ่งทั้งหลายที่มองเห็นด้วยตาและที่มีความสัมพันธ์และโยงใยทําใจนี้ให้เข้าไปสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย สรรพสิ่งทั้งหลายจึงเข้ามามีบทบาทก่อตัวให้เป็นอารมณ์ความปรุงแต่งจากนั้นก็กลายเป็นอุปทานคือความยึดถือรวมตัวกันมากขึ้นใจของคนเราจึงถูกสรรพสิ่งเหล่านี้ปกปิดมิให้มีความรู้สึกวิสาสะสัมผัสกับกายละเอียด คืออาทิตย์สมันกายได้คือหมายความว่าในเวลาเนี้ยเรามีอารมณ์มีสิ่งต่างๆคือใจเนี้ยสัมผัสได้จริงแต่ว่าสัมผัสด้วยความไม่รู้เรื่องเพราะว่าพวกทั้งอารมณ์ทั้งอุปทานทั้งสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยเราเก็บมาไว้ที่ใจของเราหมด เมื่อแก็บไว้แล้วทีนี้มันก็เป็นเครื่องปิดบังเพราะว่าตื่นขึ้นมาเราก็จะต้องคิดถึงอารมณ์จะต้องคิดถึงสิ่งต่างๆพร้อมทั้งความปรุงแต่งมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดชีวิตของคนมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ใจของคนเราจึงถูกสรรพสิ่งเหล่านี้ปกปิดไม่ให้มีความรู้สึก วิสาสะสัมผัสกับกายละเอียดได้คืออธิษมานกายเนี่ยคือเราสัมผัสได้แต่เราไม่รู้เรื่องอะจะเล่าตำนานให้ฟังว่าในสมัยเอโลกตั้งขึ้นนี่เนี่ยเป็นเรียกว่าตำนานเขาเล่ากันเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของตำนาน ตำนานเขาเล่ากันมาว่าโลกนี้ที่จะตั้งขึ้นมาได้เนี่ยเพราะไอ้การเอเอผสมสารสารอะไรต่างๆก็ไม่รู้ละแล้วลมันกลายเป็นไอ้โลกที่หอมหวนกลิ่นของโลกเนี่ยมันหอมมากหอมพุ่งไปกระจายไปตามโลกต่างๆได้อย่างไกล เสร็จแล้วก็มีพวกพรเอมพวกพรมนั่นก็คือพวกพวกอาทิตสมันกายแหละได้กลิ่นเข้าแต่ว่าพรมนั้นน่ะได้มาตามกลิน่นตามกลิ่นมาก็มาถึงโลกพอมาถึงโลกแล้วนี่ ม, นมาเกิดเป็นไอ กายหยาบขึ้นหมายความว่ากลับเอมากินเอดินเนี่ยมากินเอดินในในแผ่นดินนั่นเนี่ยมันไม่ต้องไปหุงข้าวไม่ต้องไปต้มแกงไม่ต้องไปอะไรกรรมมาก็กินอะไรอร่อยทีนี้กินไปกินมาก็เพลินเพลินไปชาญเชิญอะไรก็หายหมดก็เลยกลายเป็นมนุษย์ อันนี้ว่าตามเขานะอ่านอ่านตำรามาว่าอย่างนั้นทีนี้ในขณะที่มานั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้มาคนเดียวคงหม า, อ า, อาสองคนสามคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ย เ, เมื่อมากินดินเข้าแล้วกลับกลายเป็นมนุษย์ มันก็เลยกลายเป็นมนุษย์ผู้หญิงและมนุษย์ผู้ชายคืออันนี้อันนี้เป็นตำนานนั่นทีนี้ในขณะนั้นและเวลานั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่กล้านบ้าน<ะ>เรือนหรือว่าเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันไม่มีความหมาย เมื่อเป็นเช่นนั้นอารมณ์ต่างๆของอทั้งสองคืออารมณ์ต่างๆของมนุษย์ในครั้งนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อื่นเนี่ยมนุษย์เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยไปไหนเนี่ยเขาจะห่ อ, อไปไม่ต้องเดินอันนี้เป็นตำนานตำนานพูดไว้อย่างนี้แล้ว พอเหาะไปไหนก็เหาะไปได้เรียกว่าไปได้เหมือนนกต่อมาระยะเวลามันก็ผ่านมาเป็นระยะเป็นพันปีต่อมา <c oughs> คนมันก็เกิดมากขึ้นแล้วมันก็เกิดการสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นในระยะต่อมากี่พันปีต่อมาก็รู้ไม่ได้ ก็มีการสร้างมีการอะไรขึ้นมีลูกมีเต้ามีครอบมีครัวก็เกิดความแก่งแย่งเกิดความเ อ, อสามัคคีกันบ้างไม่สามัคคีกันบ้างอารมณ์มันก็เกิดขึ้นเยอะพอจากนั่นมาพ อ, อไม่ได้แล้วไปไหนก็ต้องเดินเอาแล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คนที่เขาแต่งตำนานมาเนี่ยเอ่า เราเคยได้ยินว่าตำนานเก่าแก่เขาเล่ากันสืบมาว่ามนุษย์ครั้งแรกๆของโลกนี้เกิดขึ้นมามีการห่ะได้ทั้งนี้เพราะสรรพสิ่งแวดล้อมยังไม่เข้ามาเป็นอารมณ์คือสรรพสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นอารมณ์ก็ไม่มากเพราะฉะนั้นมนุษย์ เ อ, อสมัยนั้นจึงสามารถสัมผัสวิสาสะกับอทิสมานกายได้อย่างดีจึงมีฤทธิ์หรือว่าเหาะได้อย่างนั้นแต่พ อ, อ, อสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นอารมณ์ปรุงแต่งจึงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวจึงทําให้การวิสาสะกับอทิสมานกายไม่ได้ก็ทีนี้ก็ หรอไม่ได้นะทีนี้เพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วมันมีอาการานมีอะไรยึดถือมากก็เลยไม่มีฤทธิ์คำกล่าวในตำนานโบราณ น, นี้อันนี้เป็นหลวงพ่อวิจารณ์เองคำกล่าวในตำนานโบราณ น, นี้น่าจะเกิดจากผู้เชี่ยวชาญทางสมาธิเขียนไว้หรืออย่างไรอันนี้เป็นคำ เ, เป็นคำถามไม่มีคำตอบ อย่างไรก็ตามวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องอาทิตย์สมานกายกับฌานอย่างไรก็ตามฌานที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็ได้กำจัดอารมณ์หรือสรรพสิ่งแห่งการปรุงแต่งให้หมดไปแม้จะหมดไปชั่วขณะเราก็ยังรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนกันกันกบเหาะได้ เวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยพอเวลาที่จิตมาสงบเกิดความสงบขึ้นมามันก็เกิดความสบายสงบสบายตัวเราก็เบาเรานั่งกับพื้นเนี่เหมือนก็ไม่ได้นั่งมือทับกันคือเหมือนไม่ได้ทับตัวของเราเนี่ยมันก็จะเกิดเบาขึ้นตามลําดับอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ตามความรู้สึกใน บุคคลผู้ที่ทำฌานได้มันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ยังไม่ถึงกับว่าเราเหาะได้แต่ว่ามันจะแสดงอาการเบาให้เรารู้ว่ามันเกิดความเบาขึ้นดังนั้นฌานที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวในการกาจัดสันพระสิง์แห่งการปรุงแต่งได้จึงสามารถสัมผัสวิสศาสะกับอาทิสมานกายได้ทีนี้ เข้ามาถึงอาทิตย์สมานกายในขณะที่เรานอนหลับเราสัมผัสกับอาทิต์สมานกายนั่นมันไม่รู้เรื่องกันแต่ว่าถ้าเราเข้าฌานหรือว่าทำจิตั้งเราให้สบายโดยการที่เราหมดความรู้สึกภายนอกเนี่ยในขณะนั้นเราสามารถที่จะ สัมผัสกับอาทิสมันกายได้แล้วก็ค่อยๆจะรู้จักกันเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากันกับว่าชานนันมีคุณประโยชน์ทั้งมีความรู้ซึ่งถึงกายละเอียดได้เราจะต้องทราบอย่างนี้ว่าอาธิสมันกายนี้มันไม่ตาย มันจะอยู่หมื่นปีแสนปีล้านปีอะไรมันก็อยู่ของมันมันจะไม่มีตายมาเพราะว่ามันเป็นในส่วนหนึ่งของใจมันเอ่อเพราะฉะนั้นมีอายุแบบต่อเนื่องมานับเวลาเป็นแสนเป็นล้านปีจงเข้าใจว่าเมื่อเป็นของเก่า หรือวัตถุโบราณหรือมีอายุยืนนานจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรเก็บไว้ในอธิสมภานกายนั้นมากนักนะอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าตัวของเราเนี่ยคือเป็นแอนทิก uh, กันหมดเป็นของโบราณเพราะว่าอธิสมภานกายที่เราได้อยู่เนี่ยเ้าเรียกว่า uh, ผู้ที่มีอายุยืนนานที่สุดการจะรู้ว่าในอาทิตย์สมานกายนั้นมีอะไรก็ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์พร้อมด้วยตาทิพย์ที่จะเห็นได้ฌานอันเกิดจากสมาธินี้แหละอย่าประมาททีเดียวถ้าบำเพ็ญถึงที่อาจเห็นสิ่งอัศจรรย์มากเราจะต้องเข้าใจว่า อาธิสมันกายของเราเนี่ยมันได้สะสมสิ่งอะไรอะไรต่างๆไว้เนี่ยสิ่งที่มีอะไรมากมายในอาธิสมันกายนั้นถ้าหากว่าเราทําฌานเข้าไปเนี่ยคนพวกเรานี่แหละเมื่อทําเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะ เ, เข้าไปเห็นแสงพระสิ่งต่างๆในที่นั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกที่ว่าทำไมเขาถึง่ะลึกชาติได้ตั้งหลายแสนชาติหลายล้านชาติอย่างเนี้และทำไมเขาถึงได้รู้ว่าไอในอธิสมานกายนี่มันมีของวิเศษอยู่ในนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความเป็นมนุษย์ของคนเราเนี่ย มันจึงมีสิ่งพิเศษทําให้สมองเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาสารพัดที่จะพัฒนาขึ้นมาได้เกิดจากเนีอาทิตมาสกายที่เอได้สะสมสรรพสิ่งต่างๆแล้วมันก็มาพัฒนาเนี่ยให้เกิด้การวิวัฒนาการอย่างที่โลกควิวัฒนาการกันขึ้น แต่ทีนี้ในทางฌานเนี่ยก็มีการวิวัฒนาการเช่นเดียวกันว่าผู้ที่สามารถทำฌานอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นอะไรได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นคำว่าฌานะอะจินเตโย มันมีหยุดไหนก็ไม่รู้หน่อยยังไม่ทันถึงหรือไงชาญนะอ่ะกินตโยซึ่งแปลเป็นใจความว่าชานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะคิดได้ว่ามีเท่าไร่มันมากเจนเกินไปกว่าที่อย่างมนุษย์เราธรรมดาจะคิดได้ว่ามันจะมี สิ่งที่เราไม่เห็นนันมันยังมีอีกสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เรามองไม่เห็นเพราะอันนี้เราก็ต้องรู้ว่ามองไม่เห็นเพราะได้อธิบายมาแล้วและในข้อนี้ที่ว่ามาถึงขั้นนี้ ก็ต้องทาความเข้าใจเรื่องอธิสมานกายให้แจ่มแจ้งอี่พอสมควรตอนนี้จะอธิบายถึงกายทิพย์คืออธิบายตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องอ่านไปละอธิบายไปเลยว่าไอ้กายทิพย์เนี่ยพอเวลาที่คนตายแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเขาเรียกเอากายทิพย์ไปเกิดเกิดเป็นเทวดา หรือว่าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเหล่าเนี้ยเอากายทิพย์เนี่ยไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายอย่างเนี้แล้วก็ไปจุติอย่างนี้เป็นต้นไปเกิดเป็นพรหมอย่างเนี้ยก็อธิษฐานกายที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมทีนี้อย่างคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่า ไปเกิดพวกชั้นสวรรค์อย่างเนี้เขาจะมีอายุยืนยาวไม่เหมือนกันกันกบเมืองมนุษย์จะมีอายุยืนยาวแล้วอธิษฐานไกลก็จะอยู่ยืนยาวตามอายุไขอย่างเทวนาชั้นต่ําที่สุดนี่จะมีอายุห้าพันปีห้าพันปีทิพห้าพันปีทิพนั่นน่ะต้องเอ า, เอาต้องเอาหนึ่งร้อยคูณห้าพัน เพราะว่าร้อยปีในเมืองมนุษย์ถึงจะเท่าหนึ่งวันของเมืองสวรรค์เป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันเมืองนรกก็เช่นเดียวกันอย่างนารกนี่มันจะมีอยู่แปดหลุมด้วยกันหลุมหนึ่งก็ชื่อว่าสันธีวนานรกหลุมที่สองก็ชื่อว่าโรรุวนานรกมหาโรรูวนานรกตาปะนรกมหาตาปะนรก อันนี้ว่าไม่อยากว่าไม่อยากพูดมากหรอกน่ากลัวสัญชีวะนรกนั้นก็มีอายุห้าพันปีทิพย์แล้วก็เอาร้อยคูณห้าพันอย่างนี้ก็จึงเป็นอายุของอพวกนี้แล้วพวกนี้นี่ที่จะไปนี่ไปโดยอาทิตสมานกายเราจะรู้ได้ว่าไปโดยอาทิตย์สมานกายทีนี้ ที่ทำไมหลวงพ่อจึงได้อธิบายอย่างนี้อย่างยืนยันที่สุดก็เพราะว่าหลวงพ่อเคยตายแล้วเมื่อตอนอายุสิบกปีด้วยเป็นสมณเนนไปปฏิบัติอยู่ในดงพญาเย็นสู้กันกับยุงอ่ายุงก้นป่องแอยุงที่มันมีมาราเรียนก็ <c oughs> กลับคืนมาแล้วก็มาเป็นเน่ ไข้มาลาเรียพอไข้มาลาเรียมันอาการหนักเข้าหนักเข้า ม, มันก็ขึ้นสมองเมื่อขึ้นสมองแล้วตอนที่มันจะตายเนี่ยหัวสมองนี่มันระเบิดระเบิดนี่เหมือนกันกับไอเขาจุดประทัดน่ะหัวเนี่ยเปะปะป๊ะปะเปะปะเปะปะปุ๊บเดียวเลยหายเลยทีนี้ ได้ยินพระอาจารย์คงมาท่านพูดว่าเสียท่าแล้วแต่เราได้ยินคำสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ยินน่ะในขณะนั้นรลวงพ่อเป็นตัวอย่างเงี้ยไม่ได้มาเป็นตัวอย่างอื่นเป็นอย่างเนี้ยมีมือมีตีนมีหน้ามีตาเราก็เห็นตัวเราอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่าไม่มีจีวร ไปแบบไม่มีจีวรไม่รู้นุ่งอะไรก็ไม่รู้หรอกมันใสๆนุ่มๆอ่อนนุ่มแต่ไม่มีหมวก <c oughs> เวลาที่หลวงพ่อหอกไปเนี่ยนะไม่ใช่หอกเราไม่ได้ตั้งใจจะหอกแต่พอเวลาออกจากล่างแล้วมันลอยเองมันร่างกายเนี่ยมันลอยเองมัน ลอยไปลอยไปลอยไปย N N อย่างเงี้ยเอ็นเอย่างเงี้ยนะทำท่าเอ็นเอย่างเงี้ยเอ็นเอย่างเงี้ยแล้วก็มองดูข้างล่างเนี่ยเนี่ยไอหลังคาเนี่ยที่เอ็นหลังคาหยุดทะลุหมดเลยตาเนี่ยโอ้โหตาทิพมันเป็นอย่างนี้เองนะใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเห็นหมด <c oughs> มันไม่ใช่เท่านั้นนะในดินยังเห็นเลยไอที่ดินเนี่ย อที่เรามองไม่เห็นดินในดินเนี่ยมองทะลุดินลงไปใส่เดือนกิ่งกืออะไรเห็นหมดอ่ ะ, อะผ่านไปพอผ่านไปถึงน้ำในน้ำก็บังตาเราไม่ได้มองเห็นหมดเลยก้นทะเลมีอะไรปลากี่ตัวมองเห็นไปหมดเวลาห่อไปอย่างนี้เรื่อยไปเฮ้ยสบายจริงๆงเราสบายแล้วทีเนี้ยรอดตัว ไม่เอาละอยู่อย่างนี้ดีสบายว่ากะเป็เพอไปแล้วเนี่ยไปถึงภูเขาภูเขานั้นก็เป็นใหญ่มากนะใหญ่โตป้องขวา ง, งใหญ่โตมโหฬารแต่อยู่กลางทะเลในภูเขาเหล่านั้นก็มีผู้คนผู้คนมันก็เหมือนเราเนี่ยมีเนื้อมีหนังเหมือนกันอย่างเงี้ย เรามองดูกเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างเนี้ยมีหูมีตามีผู้หญิงมีผู้ชายเหมือ น, นกันอเขาก็ยกมือขึ้นโอ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ววิยนวิริยนมาเน่มาเน่นเ อ, อ๊มันรู้ชื่อเราได้ยังไงไ อ, อพวกนี้มันรู้ชื่อเราได้ยังไนงนั่นเป็นยางไงเราก็ลงสิที น, นี้ฮะลงแล้วแม้เพื่อนโดดกอดกันใหญ่ แม่ไม่เห็นกันนานนะเอเอเราไปไหนนะเราจะถามพักพวกก็ไม่เห็นกันนานเราไปไหนก็ไม่รู้สิบอกแม่ไม่เห็นกันานานเลยเนี่ยอะไเงี้อเพื่อนคงใจหิว น, นะามากินอาหารกันหน่อยเออเอาดีเขาก็มาชามหนึ่งาชามใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆ แล้วก็เหมือนกับขนมถ้วยฟัวมาใส่กันสีขาวมูนขึ้นมาเลยเราก็เอามือเนี่ยช่วงลงไปนะพอจ้วงลงไปพับเนี่ยทาไมมันติดมือขึ้นมาหมดไม่รู้ทั้งชามอ่ะพอเวลาใส่ปาคลูเข้าขไปเกี่ยงเลยไม่รู้เข้าไปได้ยังไงเ <c oughs> ออเออเพราะฉะนั้นมันก็แปลกเมื่อพอพอกิน อาหารตอนนั้นแล้วเนี่ยปุ้ยมันเรี่ยวมันแรงที่นี้ทีนี้เพื่อนเขาก็ชวนบอกว่าเนี่อมาที่นี่เชะเราก็ไปสมมติว่าเพื่อนอยู่ที่พระขนองอย่างเงี้ยเก้ 9, 3, 9, าสามเก้าเท่านั้นเองถึงแล้วเเอ้เก้านี่มันเก้าไปได้ยังไงนะแพ็เปียวถึงเราก็สงสัยตัวเราเองเหมือนกันถึงกาน น, นั่งคนนี้เป็นเอผู้ชายคุยกัน เดียวผู้หญิงถนนโอ้ยทางนี้ทาง น, างนี้มานี่หน่อยอ่าก็มาถึงเอ๊แกนี่เมือเป็นคนสวยเหมือนกันนี่ว่าหน่านะ่ะไม่ได้เปลือยตัวนะอ่ามีเครื่องแต่งตัวอย่างสดสวยแต่ก็ไม่ใช่ผ้าอย่างเรานะมันก็แปลกมันเหมือนกันกันกบไอ้ใยอย่างเงี้ยเอใยแก้วอย่างเงี้ยแต่ใยแก้วก็จริงแต่มองไม่ทะลุอ่า อนี่แปลกดีก็ั่งคุยแม่เพื่อนนะนี่ดูซีนิชันไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ้าวฉันจะไม่รู้ได้ไงว่าหนีไปแต่เมื่อไหร่อ่ะว่าก็คุยกันไปสนุกสนานไปเดียวเดียวเท่านั้นแหะแหมไม่ไปนั่งกูไม่ได้แฮะเพราะว่าหลวงพ่อรักมาจันมากมาจาย์เรียกอย่างนี้ไม่ได้อ่ะ ต้องไปแน่คนนั้นก็บอกว่าอ่ะมาทางนี้หน่อยคนนั้นมาทางนี้หน่อยเราก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวเสียงก็ไม่หยุดที่นี่เสียงก็เรียกกิ่ในหูเนี่ยก็เลยพูด hey, <laughs> <Bye> <bye. laughs> บายบายลาแล้ ว, วงั้นแต่อันนี้พูดเราเองหรอกบอกว่าลาคนนะพรกพวกธแล้วเราก็เหาะกลับเหาะกลับมาทางเก่า เวลาหอกกลับมาทางเก่าเนี่ยก็ตาทิพยังเป็นตาทิพย์อยู่อย่างนั้นเองเรามองเห็นหมดเลยผ่านบ้านพ่านทะเลผ่า น, า น, า น, านดินผ่านอะไรมาพอมาถึงก็เห็นตัวเรานอนอยู่ที่นอนอยู่ที่ศาลานอนอยู่ที่ศาลา เพราะว่าเวลาป่วยไม่มีที่อยู่ที่สลาก็าจะได้ดูแลสุดเพราะพอนึกว่าเอะเราจะเข้าตัวเราได้ยังไงเนี่ยมันรู้สึกทันทีเลยรู้สึกอันดับแรกเนี่ยมันเจ็บที่สุดเพราะอะไรทั้งเจ็บเพื่อนเล่นเอาอิดเผาไฟน่ะเบอา อิเผาไฟจริงๆเนี่ยนาบย็งไงตีนนี่โอ้ยไม่เลยพองหลายวันก็จะหาย อ, ะอ่ะนาบเลยก็บอกว่านาบให้รู้สึกอย แ, แล้วจะร้องอ่อยมันร้องไม่ออกร้องเต็มเสียงเลยอ่ะเนนียก็ได้ยินอะ่ะหูเนี่ยคนจะเกิดมาเออจะรู้สึกที่หูรู้สึกก่อนอตาตาอย่างเงี้ยลืมอย่างเงี้ยมองไม่เห็น แต่ว่าเสียงมา ก, ก่อนท่านอาจารย์ท่านบอกว่าฟืน้นแล้วฟืน้นแล้วฟืน้นแล้วว่างเลยนะเราก็ได้ยินแต่ว่าเราบอกว่าแม่จเจ็บเจ็บแบบนั้นอ่ <c oughs> มันไม่ออกอะ่ะเสียงมันไม่ออกอะ่ะเขาก็นาบเวียงงั้นสิเนี่ยอ <c oughs> ฟืน้นแล้วมันก็ยิ่งโอ้ยจะให้มันฟืน้นแล้วก็นาบกันใหญ่เรื่องอะไร เราก็ร้องสุดเสียงแต่มันร้องไม่ออกอดิ้นก็ดิ้นไม่ได้มือมันยกไม่ขึ้นจนกระทั่งกี่นาทีก็ไม่รู้หละตาลืมขึ้นเห็นปากพอพูดได้เราตะกนสุดเสียงบอกว่าเจ็เบเจ็บเขาบอกว่าถามดูเขาบอกว่าเสียงดังไหมโอ้ยต้องเอาหูตะแคงฟังนะเพราะว่าเงี้ยนะแต่แ ท, ท้จริงเราตะกนสุดเสียงแล้วอย่างเงี้ย เแล้วที่พูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาทิตสมานกายว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆเนื้อหนังอย่างเงี้ยไม่มีไปก็มีเนื้อหนังของเราอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นใครว่านรกไม่มีไม่ได้การนะสวรรค์ไม่มีก็ไม่ได้การเหมือนกันออทิตสมานกายเนี่ย มันจะรู้สบายรู้ไม่สบายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นาะเรื่องหนึ่งของอธิษมานกายแต่ทีนี้ล อ, อพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็คงจะได้ฟังกันไม่หมดเพราะตอนนั้นยังเริ่มใหม่เรื่องของไอ้วัด เรื่องของไอ้วัดเนี่ยมันเป็นความจริงเพราะว่าอตอนนั้นมันไปบวชอยู่ด้วย เ, เวลานั้นหลวงพ่ออยู่ที่อำเภอขลุ ง, งจังหวัดจันทบุรีไอ้วัดเนี่ยมันไปบวชพะบวชได้พรรษาหนึ่งบอกว่ามันจะสึกแล้วบอกพรรษาแล้วหลวงพ่อก็ห้ามมานันไว้บอกว่าจะสึกนะ ดวงแคตาแกไม่ค่อยดอีอันที่ว่าดวงแคตาไม่ดีเราก็ไม่ใช่หมอดวงสมัยนั้นแต่ว่าเป็นอุบาย <c oughs> อุบายบอกมันอยากจะให้มันอยู่ น, น, นานๆอเลยจำมาเอินว่าพอมันสึก อ, ออกไปแล้วไปเป็นไข้มาลาเรียตายเพียงเดือนเดียวเท่านั้นตายตายทีนี้มันไปรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง อทิตสมานกายของมันเนี่ยไปเข้าผู้หญิงเจ <c oughs> ้นี้มาไปเข้าผู้หญิงแล้ว เ, เขาก็ไปหาหมอมาไล่ไล่ผีกันอาหาหมอไล่ผีโอ้ยมันเตะหมอกริ่งหมดเลย เ, เพราะว่ามันไม่ใช่ผีเนี่ยมันเป็นเรื่องของอทิตสมานกายที่จะไปเข้า อ, าอาหมอผีก็ไม่รู้ไปเป่าน้ํามนต์เข้าเตะน้ํามนต์กระจายหมด สู้ไม่ไหวก็เลยเดือดร้อนพ่อแม่เขาก็เลยมาตามหลวงพ่อไปมาตามหลวงพ่อไปหลวงพ่อไปถึงก็รู้โอ้ไอ้วัดงั้นแกมาอยู่นี่ได้ยังไงเฮยผมรักผู้หญิงครับเขาบอกงั้นนะรักตแกมาอยู่เขาอย่างนี้ได้ไงอ่ะมันจะทำไงได้อ่ะ มาอยู่อย่างนี้ไปเยอะแกก็ไปเกิดเป็นกบเป็นเขียดเท่านั้นน่ะไเกิดเป็นตุ๊กแกแกจะทำไงอะ่ะมันก็ไม่ว่าอะไรมันก็ได้จะรอ้องไห้ก็เลยบอกว่าใหวัดแกตามฉันมาที่วัดถ้าแกไม่ตามฉันมาฉันจะเอาแกเข้าหมอ้อว่าเฮ้ยเฮ้ยไปเอาหม้อมาว่างนั้นนะครูมันนี่ บอกโยมาไปหาหม้อหมอดินมาเอาผ้าขาวมาเขียนยันเลยเอาไงผมกลัวแล้วกลัวแล้วไปก็หลวงพ่อขอไปแต่ว่าไอ้วัดไม่ได้พูดนะผู้หญิงคุณพูดหลวงพ่อเลยตอนนั้นก็เที่ยงคืนกว่าแล้วพากลับบ้านไอพากลับไปวัดพอไปถึงวัดเราบอกว่าแกอยู่ตรงนี้นะแกจะไปไหนนะ เพราะว่าพรุ่งนี้ป้าแกก็จะทำบุญแล้วแกก็ไปรับส่วนบุญซะแกจะได้ไปว่างานมันก็เชื่อเพราะว่าหลวงพ่อมีห้องนอนข้างนอกมันไม่มเป็นห้องเป็นพลาลนั่งอยู่ที่นั่นพอกลับคืนไปแล้วมันเที่ยงคืนแล้วเนี่ยหลวงพ่อกลับฟรีสิเรื่องมันหลับฟรีทีนี้ไอ้วัดมันก็หนีสิเรื่องมัน ก่อนมันจะห น, นีมันก็แวะไปที่ครัวครัวนี่มีโยมอ่อโยมคนหนึ่งเขาทำครัวอยู่เขาทำครัวอยู่ที่วัดนะครับตอนที่มันบวชเนี่ยมันก็ไปประจบกับแม่ครัวเรื่องมันนะ่ะมันก็ได้ได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยทีนี้แม่ครัวนั้นชื่อโยมขาดอ่ยมขาดก็เป็นแม่ครัว มันก็ไปนะอาทิตสมานกายของมันเนี่ยเรียกว่าแก่กล้ามากมันไปแสดงตัวเป็นเออเออเป็นพระนั่งไม่แสดงตัวเป็นพระหรอกแสดงตัวเป็นขลาวา์แล้วก็ไปนั่งนั่งคุยก็ยมผาดยอมผาดเป็นไงทำครัวเป็นยังไงก็เหมือนกันมันก็คุยอะ ยอมผาดอ่ะทำครัวก็ทำสิก็ทำมานานแล้วเนี่ยว่าน่คุยไปสภัพยมผาดนึกได้เฮ้อวัดนีออน่มึงตายแล้วนี่วะทีเดียวมันก็เลยหายไปเลยแม่ยมผาดวิง่งถ้าไม่รู้ไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนตีประตูก็ใหญ่บอกว่าขอนอนด้วยเว้ เป็นไงอะหวัดมันทําเหตุน่ะนี่ยังไงทีนี้พูดถึงเรื่องอธิษมานกายเนี่ยมันอาการสัมผัสระหว่างฌานในวันนี้เราพูดกันเพราะว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยการอธิบายฌานเนี่ยก็ถือว่าจะจบในวันนี้แล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ว่าฌานตื่นเป็นยังไงฌานลึกเป็นยังไง เราก็ฌานนี้เราควรเข้านานแค่ไหนก่อนที่จะเข้าฌานเราควรจะตั้งสติยังไงแล้วก็ฌานนี้มีประโยชน์ยังไงและฌานนี้มีลักษณะเป็นยังไงเน่ก็อธิบายกันมาก็ถือว่าอธิบายกันมาเนี่ยละเอียดพอสมควรแล้ว <c oughs> แล้วก็มาถึง การที่สัมผัสกับอาทิตย์สมัมารนั่นเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เคลียร์กายหยาบให้หมดแล้วจิตมันก็เข้าไปสู่ฌานนั่นมันก็สามารถสัมผัสกับอาทิตย์สานกายได้อย่างไรก็ตามในการที่อธิบายถึงเรื่องฌานมานีอต้องการที่จะให้ฌานที่อธิบายมาีนนั้ น, น เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของครอบครัวมีประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจมีประโยชน์ในการที่จะทำการศึกษาให้มีหัวสมองอไรขึ้นและมีหัวสมองดีขึ้นหรือเรียกว่าสมาร์ทเบรนหรือว่าชาญ น, นั้นในเมื่อเวลาที่ เรามีความเศร้าใจเราอาจจะเข้าไปอยู่ในฌานแล้วความเศ้าใจเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าคนไปหลงฌานหรือว่าเข้าฌานมากมันนั้นใช้ไม่ได้แล้วมากไปก็เหมือนกันกับคนรับประทานอาหารมากไปมันก็ไม่ดีเหมือนกัน ใช่ว่าจะดีแม้ว่าอาหารนั้นจะดีก็าตามหรือว่าอย่างที่เรานอนอย่างเนี้ยมันก็สบายนะไม่นอนไม่ได้แต่ถ้าให้นอนสามวันสามคืนมันก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่สบายแน่นอนเพราะฉะนั้นชันก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องที่ว่าโอ้ยไม่พูดก็ใครต้องเกรงต้องอะไรอยู่โอ้ยขอให้ชันมันอยู่ด้วย อย่างนี้อันนั้นไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่ฌานมันเสื่อมไปหรือเวลาที่ฌานมันหายไปเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าฌานนั้นเป็นผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีความสำคัญเนื่องจากว่าสมาธิคือตัวที่สร้างพลังจิต ฌานไม่ใช่ตัวสร้างพลังจิตเพราะฉะนั้นฌานจึงเป็นส่วนหนึ่งของอความสบายาให้เกิดความสบายและฌานนีย่ยังกำจัดกิเลสไปยังไม่ได้ยังมีกิเลสยังอยู่ปกติ <c oughs> เพราะฉะนั้น เ, เราจึงแนะนำกันว่าฌานนี้ จะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานประสิทธิภาพในการมีชีวิตและประสิทธิภาพในการอยู่ในสังคมด้วยความด้วยความเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นจบเลื่อนฉานแล้วต่อไปจะเรื่องยานแล้ว ี่จบจริงหรือไม่จริงเนี่ยฮะจริงเหรออ๋จ อ, อจบแล้วเนี่ย <c oughs> นี่นะศาส์สอนมาจนจบนะต้องเห็นใจคนสอนบ้างนะ <c oughs> <c oughs> เป็นวัดก็ไม่ยอมหยุด <c oughs> อาเราพูดกันถึงเรื่องบุญอีกนิดหนึ่ง เรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบุญเร่องกุศลเนี่ยเราก็ชอบทุกคนต้องการอยากจะได้บุญบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้กี่ทางทานไหมาการบริจาคศสียไหมการรักษาศีลภาวนาไัยการภาวนาอย่างที่เราภาวนาทุกวันเนี่ยภาวนาไหมาเนี่ยมาเกิดบุญนะมันไม่ใช่ว่า เราทําแล้วได้ความสบายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการสะสมบุญด้วยแล้วทีนี้ท่านยังแสดงต่อไปว่า เ, เทศนาไมาบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมธรรมะวนานะไมาบุญสําเร็จด้วยการฟังธรรมก็เป็นบุญอีกธรรมเทศนาไมายอย่างที่หลวงพ่ออธิบายนี่เทศทั้งนั้นธรรมะทั้งนั้นทางญาณทางฌาน ธรรมสาวนะไม่คณะนักศึกษาตั้งใจฟังอย่างดีก็เป็นบุญรองผลที่สุดที่เราทำเนี่ยเรียกว่าทำบุญกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราได้บุญกันเป็นหาเป็นหาม <c oughs> <c oughs> รองพ่อถึงได้ไม่เหนื่อยไงเวลายังมี <c oughs> แอนนี่นะมาเทพหลวงพ่อนะอ ะ, ะเวลาที่จะเอาไปทำอะไรนี่ต้องระวังน ะ, ะ, ะเดี๋ยวก็จะมาเล่นงานน้องพ่อแย่ยัะ <c oughs> ตรงไหนพูดสนุกสนุกก็ถือว่าสนุกไม่อยากอยากเอาไปเที่ยวอวดใคร <c oughs> ต่อไปก็เป็นการถามตอบกันต่อตั้งแต่เบอร์ไหนอ่ะ ขอเชิญคุณเกียรติคุณกฤษดาธิการกราบธรรมกาลพระอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องฌานสมาบัติหน่อยครับไม่ทราบว่าบุคคลประเภทใดถึงสามารถทําฌานสมาบัติได้แล้วก็มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็อยู่ในฌานชั้นไหนครับฌานสมาบัตินั้นคือรูปฌานและรูปฌาน รูปปัจานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุถฌานถือว่าเป็นรูปปัจจานอรูปปัจจานนั้นคือตั้งนับตั้งแต่อากาสานัญจายตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญาเรียกว่ารูปปัจจานสีอรูปปัจานสี่โคเทสามารถทำรูปปัจจานสีอรูปปัจานสีได้เป็นการต่อเนื่อง ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าฌานสมาบัติได้ผู้ที่จะเข้าฌานสมาบัติได้นั้นไม่เลือกจะเป็นคราัตสก็ได้จะเป็นพระก็ได้แล้วมีประโยชน์อย่างไรครับมีประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ คนทุกข์จริงๆก็เดียวกว่าเกิดความสุขในระดับหนึ่งระดับที่คนธรรมดาทำไม่ได้กราบขอบพระคุณค ร, รับต่อไปขอเชิญคุณขณิ t h ากาละดิตกราบมานสจารพระอาจารย์ค่ะสิเขเรียนถามว่าการบวชทีพรามมีอ น, นิสงส์งอย่างไรบ้างคะเออบวช ก็เป็นแน่ขมมะบางเป็นบารมีในชีวิตหนึ่งหรือว่าในปีหนึ่งปีหนึ่งบางทีเราไม่มีเวลาไปจำศีลแปดหาเวลาไม่ได้เราก็เลยถือโอกาสว่าเอ๊ะที่ไหนก็มีการบวชชีไม่ต้องกนผมกันบ้างแล้วก็เราก็ไป บวชก็เขาเสร็จแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์สามวันสามคืนก็เป็นอานิสง์อานิสง์เขาเรียกว่ า, ารักษาศีลนอบศ ด, ด้วยความเข้มขัดศีละบารมีสอขอบพระคุณค่ะขอเชิญคุณขนิพฐาทัพทิมทอง รับน้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะสิทธิ์มีคำถามมสองข้อนะคะข้อแรกเกิดจากการปฏิบัติเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสิทธิ์ปฏิบัติธรรมมาประมาณสี่ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยเกิดอาการแบบนี้ไม่เคยถามตัวเองว่าผู้รู้คือใครอย่างที่หลวงพ่อแนะนำตลอดเพราะมันเป็นความเคยชินในการปฏิบัติทีนี้พอนั่งไปก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยตัวผู้รู้เป็นแบบนี้รู้แต่ ว, ว่านี่คือตัวผู้รู้เมื่อรู้สึกตัว ก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในที่แคบมากๆเลยหลังจากนั้นพอแคบมากๆเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าหัวใจเริ่มเต้นเร็วแล้วก็หายใจไม่ออกต่อจากนั้นก็มองดูต่อไปว่าอ๋อคนใกล้จะตายเขาเป็นแบบนี้นี่เองหายใจไม่ออกจะขาดใจตายก็ลองดูซิว่าถ้ามันจะตายตอนนี้มันเป็นยังไงก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เข้ามดมดจริงๆ ทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านอื่นเคยแนะนําว่าถ้าเล็กแล้วให้ขยายให้ใหญ่ขึ้นหลังจากขยายใหญ่ขึ้นใหญ่สุดได้แค่เท่ากำปั้นกำปั้นมือเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเอ๊แล้วเราจะทําจิตยังไงต่อไปดีในเมื่อมันมีความรู้สึกเท่ากําปั้นจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเรากําลังหมุนไปทั้งตัวเลยไม่รู้ว่าเหมือนกับลูกบอลนนะักกิ้งไปตลอดเลยสักพักก็ได้มีเสียงะระฆังตีมีความรู้สึกว่า มันเพิ่งแค่สองนาทีเองทำไมมันเร็วเรายังไม่รู้หรือว่าเราจะทำยังไงต่อไปกาเรียนถามหลวงพ่อว่าอาการทางจิตที่เกิดแต่ละขั้นตอนนั้นคืออะไรถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเราจะดำเนินจิตอย่างไรเพื่อที่ให้ตรงตามเป้าหมายคราวนี้ก็คือในขณะนั้นจิตมันได้เข้าพวังแต่ว่าการเข้ารวังนั้นเกิด มีสติขึ้นเพราะเกิดสติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสิ่งนั้นอะ่ะคือกลายเป็นนิมิตขึ้นเขาเรียกว่ากิริยาของจิตทีนี้ว่าถ้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนี่บางทีเนี่ยนะคนเนี่ยคนที่ทำเนี่ยตัวใหญ่ยังจะต้นตาลบางคนก็ตัวเล็กอย่างเนี้ยลักษณะนี้คือ เป็นลักษณะฌานชนิดหนึ่งก็เรียกว่ า, าพวกปิติอะพวกคันชานแล้วก็พวกอยู่ในนิมิตแต่สิ่งอันนี้ที่เกิดขึ้นมานั้นเราจะต้องทำจิตของเราให้มั่นคงคือมีสติพิจารณาเห็นว่าอันนี้คือปิติชนิดหนึ่งก็อยู่ในฌานถ้าหากว่า มันจะเกิดขึ้นมาอีกเราก็รู้เท่าและไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นคือสิ่งที่วิเศษเกินไปแท้ที่จริงคือลักษณะหนึ่งของฌานในขั้นต้นเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเวลาที่เกิดขึ้นมาต่อไปต่อไปแล้วลักษณะเช่นนี้ ก็จะหายไปเองเพราะว่าจิตมันเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นขอบคินเจ้าค่ะส่วนอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่สงสัยมานานสิทธ์รู้จักบุคคลสองท่านท่านแรกอายุเจ็ดสิบกว่าปีอีกท่านหนึ่งอายุสามสิบห้าปีท่านแรกนี่นับถือพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งนับถือพุทธศาสนาท่านทั้งสองเนี่ยจะมีการสื่อกับสิ่งภายนอกภพภูมิอื่นหรืออธิษฐาน ก, กายจากภายนอกเนี่ยได้ตลอด ในนักษณรที่ว่าบางครั้งก็มาขอส่วนบุญบางครั้งก็มาบอกเหตุการณ์เตือนภัยร่วงหน้าอยากทราบว่าบุคคลทั้งสองนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากทราบว่าถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนี้เราจ ะ, จะปฏิบัติตนอย่างไรหมรายความว่าคนทั้งสองนั้นตายไปแล้วใช่ไหม คนทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ค่ะคนแรกเจ็ดสิบสองปีคนที่สองอายุสามสิบห้าปีเหมือนกับเป็นร่างทรงในลักษณะที่ว่า<อ>ไม่ต้องจุดทูปไม่ต้องเชิญ อ, อยู่ๆก็ปึ๊บมาเลยอ๋อ <laughs> อยู่ๆก็ปึ๊บเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อคุยๆกันอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเราจะให้เรียกไง<อ>การที่เป็นเช่นนั้นน่ะที่จริงแล้วนี่มันเกิดขึ้นจากเอ ไอ้วาระจิตน่ะวาระจิตของบุคคลคนนั้นมันเขาเรียกว่าคนมันมีจิตอะไรนะอ่อนๆอะคือความเคลื่อนไหวในอารมณ์มันรวดเร็วทีนี้พอความเคลื่อนไหวในอารมณ์รวดเร็วถูกไอ้สิ่งที่ฉายไว้ในใจของใจของคนนั้นเนี่ยมีอิทธิพลขึ้นมันก็เลยไป ะสบกับอารมณ์พอดีแม้เป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันก็เหมือนกันกับคนเข้าทรงอย่างนั้นอ่ะภับเดี่ยวก็จะเข้าไปเลยแต่ว่าในกรณีเช่นนี้ควรที่จะต้องพยายามคิดว่าและอาการที่เป็นนั่นอ่ะไม่ใช่ของจริงมันเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่ง ถ้าคิดอย่างนั้นได้เนี่ยเขาจะหายออกเขาจะหายไปได้ถ้าหากว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้เนะ่ะมันคือวิญญาณใครมาเข้าหรือว่ามีวิญญาณอะไรมาเนี่ยมันจะต่อเขาเรียกว่าต่อความยาวเสาวความยืดมันก็จะไปไปทำให้สติสตังอะไรก็เกื้อเเกรมไปได้ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะต่อไปขอเชิญคุณคมรัตน พิชิตเดชครับนมกวัฒนการพระอาจารย์หลวงพ่อครับเ อ, อวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับอธิสมันกายที่ว่าถ้าตายแล้วก็คนเราถ้าตายแล้วนะครับอธิสมันกายไม่ได้ตายไปด้วยแล้วก็จิตไปพร้อมกับอธิสมานกายนี้ผมผมเอ่อคือเคยเข้าใจว่าพระอาหารหันตุที่ผู้ที่เอ่อนิพพานไปแล้วเนี่ยเอ่อจับสิ้นไปเลยที่ผมไม่ทราบว่า พระพุทินไปแล้วเนี่ยอาทิสมานกายยังอยู่อยู่หรือเปล่าครับสําหรับพระอรหันต์ไม่มีตัวตนแล้วแต่ว่าอาทิสมานกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกายละเอียดไม่ก็บริสุทธิ์ไปด้วยคือใจบริสุทธิ์อันที่จริงอธิสมานกายที่อยู่กับตัวเราเนี่มันไม่บริสุทธิ์นะ กิเลสละไรอะไรมันมีเยอะอยู่ในอาทิตสมานกายเนี่ยแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วมันหมดนะ่ะกิเลสมันหมดกายทิพย์นี่ก็เลยกลายเป็นตัวบริสุทธิ์ไปด้วยจิตบริสุทธิ์เขาเรียกว่ า, เ, า, เ, าเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นทันถึงพระนิพพานเมื่อกายทิพย์บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายที่ไหนอีกต่อไปก็ยังอยู่ แต่ว่าได้แปลสภาพเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเราจะอยู่ที่ไหนครับอ่าอันนี้เขาไม่ให้บอกอะแว่าพานิาพานอยู่ไหนเพราะคุณครับเราะจะรู้ได้ไเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเดี๋ยวจะบอกขึ้นมาแล้วก็จะมาตู่ว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหรันต์เดยยุ่งใหญ่ต่อไปขอเชิญ คุณคณสมสรนลมจารีาการนั่งสมาธิการนัางฌานครับผมคล้องใจเกี่ยวกับเรื่องฌานนะครับแต่ในความคิดของผมไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับฌานเกิดจากพลังอํานาจพลังอํานาจเกิดจากสมาธิสมาธิเกิดจากความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งเกิดจากการบริกรรมใช่หรือไม่ครับหลวงพ่อครับอพูดยังไงกลับไปกลับมาฟังไม่ชัด คือสมาธินี่เกิดจากพลังอํานาจใช่ไหมครับแล้วพลังอํานาจนี่เกิดจากสมาธิมันกลับกันแล้วคือสมาธิเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดพลังอํานาจ